หนังสือเรื่องพุทธธรรมจะบับปรับขยายโดยพระพรมคุณาพรปอประยุตโตภาคสองมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือทางสายกลาง ตอน5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่15องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่2หมวดศีลองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดศีล3ข้อเรียงลำดับตามมัชมีองค์8 คือ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวัตองค์มักษามข้อนี้เป็นขั้นศีลด้วยกันยังรวมมากล่าไว้พร้อมกันเมื่อพิจารณาความหมายตามหลักฐานในคัมภี ปรากฏคำจำกัดความทำนองยกตัวอย่างดังนี้ในสติปัฏฐานสูตรมัชฌิมนิกายมุลปันาตมีพุทธพท์ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นชนัยนี้เรียกว่าสัมมาวาจาคือหนึ่งมุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จสอง ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากวาจาส่อเสียด 3. พมรุษายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากวาจาหยาบคาย 4. ส, สัมผับ ป, ปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อภิกษุทั้งหลายสัมมากจมมันตะเป็นชไฉน นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะคือหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการตัดรอนชีวิต 2. องินนาธานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ 3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นไฉนนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะคืออริยสาวกละมิจฉาออชิวะเสียหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชิวะได้แก่การหลอกลวงการประจบการทำเล่ในใช้เลข่ขอการบีบบังคับขู่เข็นการต่อลาบด้วยลาบนอกจากนี้ ในมหาจัตตารีสกสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันนาต์ยังมีคำจำกัดความแบบแยกแยะเป็นระดับโลกิยะและโลกุตระอีกด้วยเฉพาะระดับโลกิยะมีคำจำกัดความอย่างเดียวกับข้างต้นส่วนระดับโลกุตระมีความหมายดังนี้ 1. สัมมาวาจาที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงด ความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ี่ของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีกําลังเจริญอริยมรรคอยู่ 2. สัมมากัมมันตะที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้งสาม ของท่านผู้มีจิตเป็น อ, ร, ร, อ, อริยมีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีกำลังจเจริญอริยมรรคอยู่ 3. สัมมาอาชีวะที่เป็นโลกุตระได้แก่ความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของท่านผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไรอ้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคี กำลังเจริญอริยมรรคอยู่